มัค ก, กับศีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติอริยศัสตร์คือที่ท่านว่าทุกสมุทัยนิโรธมัคมัคนั้นคือศีลสมาธิปัญญาคือข้อปฏิบัติอยู่ในใจคำว่าศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอยู่นี้ที่นับมือให้ดูนี้มิใช่ว่ามันอยู่ที่มือมันอยู่ที่จิตอย่างนั้นตังหาก ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นอยู่อย่างนั้นมันหมุนอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะธรรมารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามักนี้จะครอบงำอยู่เสมอถ้ามักไม่กล้ากิเลสก็ครอบได้ถ้ามักกล้ามักก็ค่ากิเลสถ้ากิเลสกล้ามักอ่อน กิเลส ก, ก็ฆ่ามักฆ่าใจเรานี่เองถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นมาในใจเราไม่รู้เท่ามันมันก็ฆ่าเรามักกับกิเลสเดินเคียงกันไปอย่างนี้ผู้ปฏิบัติคือใจจำเป็นจะต้องเถียงกันไปอย่างนี้ตลอดทางคล้ายกับมีคนสองคนเถียงกันแท้จริงเป็นมักกับกิเลสเท่านั้นเอง ที่เถียงกันอยู่ในใจของเรามักมาคุมเราให้พิจารณากล้าขึ้นเมื่อเราพิจารณาได้กิเลสก็แพ้เราเมื่อมันแข็งมาอีกถ้าเราอ่อนมักก็หายไปกิเลสเกิดขึ้นแทนยอมต่อสู้กันอยู่อย่างนี้จนกว่าจะมีฝ่ายชนะจึงจะจบเรื่องได้ถ้าพยายามตรงมัก มันก็ฆ่ากิเลสอยู่เรื่อยไปผลที่สุดทุกสมุทยัยนิโรธมรรคก็อยู่ในใจอย่างนี้นั่นแหละคือเราได้ปฏิบัติอริยสัจทุกเกิดขึ้นมาด้วยวิธีใดทุกก็เกิดมาจากเหตุคือสมุทัยเป็นเหตุเหตุอะไรเหตุคือศีลสมาธิปัญญานิอ่อนมรรคก็อ่อน เมื่อมักอ่อนกิเลสก็เข้าครอบได้เมื่อครอบได้ก็เป็นตัวสมุทยัยทุกข์ก็เกิดขึ้นมาถ้าทุก์เกิดขึ้นมาแล้วตัวที่จะดับสิ่งเหล่านี้ก็หายไปอาการที่ทำมักให้เกิดขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งนั่นก็คือมักเดินอยู่เสมอ มันจะทำลายตัวสมุทยัยคือเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้ระหว่างที่ทุกข์เกิดไม่ได้เพราะมรรค่าเกิเลตอยู่นี้ในระหว่างกลางนี้รงจิตที่ดับทุกข์ทำไมจึงดับทุกข์ได้เพราะศีลสมาธิปัญญายิ่งคือมรรคนี้ไม่หยุดอัตมาว่าปฏิบัติอย่างนี้เรื่องจิตเรื่องเจตสิกไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนมันมารวมอยู่นี่ ถ้าจิตพ้นสิ่งเหล่านี้ก็แน่แล้วมันจะไปทางไหนไม่ต้องไปไล่มันมากต้นกระบกต้นนี้ใบเป็นอย่างไรหยิบมาดูใบเดียวเท่านั้นก็เข้าใจได้แล้วมันมีสักหมื่นใบก็ช่างมันใบกระบกเป็นอย่างนี้ดูใบเดียวเท่านี้ใบอื่นก็เหมือนกันหมดถ้าจะดูลำต้นกระบกต้นอื่นดูต้นเดียวก็จะรู้ได้หมดดูต้นเดียวเท่านั้น ต้นเหลือก็เหมือนกันอีกเช่นกันถึงมันจะมีแสนต้นก็ตามอัตมาดูเข้าใจต้นเดียวเท่านั้นก็พอแล้วอัตมาคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้